เรื่องพระฉับพักขีใช้แปลงหวีผมเป็นต้นสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักขีใช้แปลงหวีผมใช้หวีหวีผมใช้นิ้วมือต่างหวีเสยผมใช้น้ำมันผสมกับขี้ผึ้งเสยผม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 ไม่พึงใช้น้ำมันผสมกับที่พึ่งเสยผมไม่พึงใช้น้ำมันผสมกับน้ำเสยผมรูปใดใช้ต้องอาบัดทุกกฏ